พุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่7ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพานขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้รอบรัวทรงพลรอบรัวนินจินดาสมศักดิ์โลสันติบุญสิริกัลยาบมรุงญาติปิยดีปานแย้มนภัทระนาคสุดชนิสราเครือัยจิรวันวรพิสุทธิวงศสมจิตพิมพง์ปัรมาแสงสมสรงอินทิราดีเจริญวิรุณ สุธิดาผู้ประดิษฐ์ทิติมาเกิดทองวันวีธิรชาชนรงค์วรัญญาภูนเพิ่มอนุภาพปวมมีเพียนสอนพรพัน์สายสินชัยจันทนาสระสืบคุณครอบครัวงามสุริยพงศ์ครอบครัวโทสกุลครอบครัวคำสุภาอังคณามุนทาทิบกุลนัิตามงคลสิริขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง